เราก็ได้มาพักที่บ้านพิทักษ์กไทยเนาะก็สูงเหมือนกันนะผมพันกว่าพันกว่าเมตรลมแรงอากาศหนาวนก็น่าจะเป็นคืนที่หนาวที่สุดของการเดินัางนี้เนาะแต่คงไม่ใช่คืนที่หนาวที่สุดสำหรับชีวิตเราหรือมั้งชีวิตเราคงเจออากาศที่หนาวกว่านี้ หรือเดินทุดมปีที่แล้วหรือปีก่อนก็ยังมีหลายคืนที่ที่ทั้งหนาวทั้งฝนทั้งลมสารพัดเนาะแต่มันก็สามารถผ่านได้นะบางทีความหนาวมันก็ทําให้เราเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์แน่นอนอยู่แล้วก็เจอร้อนเจอหนาวนี่มันก็ทุกข์เป็นธรรมดา แต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันจิตใจเนาะเราก็จะทำให้จิตใจเราทุกข์ทารไปด้วยนะมันก็จะบนหนาวจะตายอยู่แล้วนะหนาวจังเลยหรือก็บางทีก็คิดถึงเครื่องนอนที่มันอุ่นๆคิดถึงเนะคืนที่เคยดับสบายนะบางบางทีความหนาวก็ทำให้เราเนะี่ยรับๆับตื่น นอนขดตัวนอนบิดไปบิดมาอันนะั้นก็ไม่เป็นธรรมดานะกายถ้ามันกายมันทุกข์มันก็ต้องขดมันก็ต้องบิดหรือมันนอนไม่หลับระับตื่นตื่นนะั่นก็เรื่องธรรมดานะแต่ถ้าใจถ้าเรารู้ทันสภาวะจิตใจของเราแล้วกเ็เราก็จะไม่ทุกข์ไปกับมันนะให้กายมันทุกข์เฉยๆกายมันทุกข์เพราะความหนาวนะแต่ใจเราอย่าไปทุกข์เพราะความหนาว ไห้กายมันทุกข์เพราะความนอนไม่พอแต่อย่าให้ใจเราทุกข์เพราะว่าความกังวลว่าเราจะไม่สบายที่เกิดจากการนอนไม่พอตรงนั้นเนาะอันนี้เราก็ต้องวางใจแบบนี้ถ้าเราวางใจแบบนี้ได้เนี่ยคือเรียกว่าเรามีสติในการการรู้เท่าทันอารมณ์ของกายหรือรู้เท่าทันอารมณ์ของในะที่เกิดขึ้นกับจิตใจนะไม่เอาความทุกข์ เข้ามาทับถมจิตใจของเราเองอันนี้อันนี้ถ้าเราดูแบบนี้ได้จะดีมากนะในคืนที่ที่กายมันทุกข์เพราะความหนาวหรือว่าความไม่สบายถ้าเราสามารถรู้ทันจิตใจของเราเช่นนี้ได้นี่ถือว่าเราได้กําไรนะนะเราไม่ได้มานอนแค่นอนทนทุกขนะ์เพราะความหนาวนะเท่านั้นนะแต่เราจะได้กําไรในการรู้ทัทนจิตใจแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์อนะที่มัน ย่ำหยีจิตใจของเราเองอันนี้เราจะได้กำไรนะเราจะได้ประโยชนนะ์เราจะเห็นคุณค่าว่าอ ม, มันก็ถ้าเราฝึกจิตนะได้ดีมันก็ทำให้แม้ในสภาวะเช่นนี้มันก็ไม่ทุกขนะ์มันก็ทุกข์แต่กายแต่ใจมันไม่ทุกขนะ์แม้จะรับไม่สบายนะแต่ใจก็ไม่ได้กังวลตรงนั้นนะนี่เราจะได้กำไรมากแต่ถ้า บางครั้งบางคืนนะสติหรือว่าจิตใจมันไม่เป็นในทํานองนี้บางทีเราก็อาจจะนะช่วยคิดพิจารณาหรือว่าเปรียบเทียบบ้างก็ได้นะนะมันก็จะเป็นปัญญาในระดับที่รองลงมานะคิดพิจารณาเปรียบเทียบบ้างก็ได้เช่นบางทีเราเออคิดถึงคนที่เขาไม่มีบ้านนะคิดถึงนะคนที่เขาเร่ร่อนนะ เขานอนนกลางถนนก็นอนใต้สะพานนะบางทีไม่มีแม้แต่ผ้าห่มนะมีแต่กายกับเสื้อติดตัวแค่นั้นเขาก็นอนกันได้นะในหลายที่น ะ, นะในหลายที่นบางคืนบางทีเอผมเดือดแต่ไมก่ก็บางทีก็ต้องก็คิดแค่นั้นช่วยเหมือนกันนะออบางทีบางทีก็คิดถึงคุณครูคนหนึ่งที่เขาเคย เคยสอนนะเคยสอนว่ า, าถ้าคุณยังไม่เคยแบบอดข้าวสามวันสามคืนถ้าคุณยังไม่เคยนอนนะนอนแบบไม่มีบ้านเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกหรือว่าคุณจะไม่เข้าใจจิตใจของคนที่เขาได้ร่อนก็ไม่มีบ้านหรอกนะมันก็เป็นเช่นนั้นจริงนะถ้าเรายังไม่เคยที่จะอดจริงๆถ้าเราไม่เคยที่จะ ทุกกายเพราะว่าความหนาวหรือว่าการที่ไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องกบาบังกายเลยนะบางทีก็หนาวบางทีก็ยุงเหมือนนะแต่ถ้าเราเคยเช่นนั้นบ้างเราจะเข้าใจความรู้สึกของคนทุกข์ยากนะได้เลยนะเราจะมีความเรียกว่าอืมกเห็นใจคนที่เขาทุกข์เช่นนั้นแล้วในบางคืนที่เราต้องทุกข์เช่นนั้นบ้างเราก็คิด พอเราน้องคิดไปทำน้องนั้นเราก็จะทนได้เองมันไม่ใช่แค่เราทุกคนเดียวเนาะนะยังมีคนที่เขาทุกข์เนะพราะความหนาวเพราะความหิวเนะพราะความลาบากเนี่ยในโลกนี้ก็ยังมีอยู่มากนะถ้าเราไม่เอาตัวเองไปศูนย์กลางของโลกแม่เศูนย์กลางของทุกเรื่องราวนะเราก็จะจิตใจเราพอเราคิดถึงคนอื่นที่เขาทุกข์บ้างนะเราก็จะคลายความทุกข์ไปได้บ้างนะอันนี้ก็ ก็เป็นวิธีคิดที่จะช่วยให้เราทุกข์น้อยลงนะมันก็เป็นความจริงของโลกแบบ น, นี้แต่บางทีเราก็ดื่มคิดมันไปดื่มมองมันไปแต่พอเรามองเช่นนั้นบ้างเออเราก็จะเห็นว่าความทุกข์ของเราเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้หนักหนาเท่ากับความทุกข์ของคนอื่นนะหรือบางทีมันนิดเดียวได้ซ้ําถ้าเทียบกับโทมทุกข์ของคนอื่นเ <c oughs> พราะมันเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นชั่วขณะเท่านั้นนะแต่บางคนนี่เขาทุกข์จนเรีว่าไม่เห็นทางออก คือมีวิธีกแก้อย่างไรเนี่ยนี่ก็เกิดความเห็นใจเขานะเกิดความเห็นใจนะมีหลายที่นะที่เป็นที่นิดเมืองไทยเราก็มีคนที่เร่ร่อนเยอะแยะมากมายนะในหมู่ชาวเขาเองก็ดีบางหมู่บ้านก็แทบไม่มีไ้า์ลมนะก็นอนหนาวตายกันนะทุกปีก็มีนะหรือเคยไปอินเดี ย, ก, าายกับอาจารย์ตุ้มกับอาจารย์ตงมิงเนะี่ยโอ้ไปเห็นที่ บอมเบย์นะที่มุมใบคนเร่ร่อนนอนอยู่ข้างถนนนี่เป็นเป็นพันๆเป็นหมื่นๆ น, นะอันนี้ไม่รวมที่เราไม่เห็นไม่รวมกับในสลามนะที่ใหญ่มากที่บอมเบย์เออมันก็มีคนพวกนี้อยู่เยอะมากมายเลยนะพอเราคิดในทำนองนี้เราก็เออเราก็ไม่ทุกนะเราก็ไม่ทุกเราก็เห็นใจคนอื่นด้วยอันนี้คือคือสิ่งที่เราสามารถทำได้นะ มันก็ดีน ะ, นะเป็นการฝึกฝนตนเองดูเป็นการเรียนรู้ดูนมันก็นี่แหละก็คือรสชาติของการเดินทุดงเนาะน ะ, นะมันก็มันก็ได้ได้พบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนตอนก่อนออกว่าออกจากทุดงไปถึงตอนก่อนไปอินเดียเข้ากรอดเข้าก่อนก็ ม, นมีตอนมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันตอนนั้นที่เจอพระทุดง สองรูปนะท่านเดินสว น, นบางคนก็จะเจอท่านนะท่านก็พูดธรรมะพูดนั้นพูดนี้ให้ฟังหลายเรื่องนะพูดประสบการณ์ของการทุดดงของท่านหลายเรื่องก็ผมเองหรืออาตมาก็ก็มีตอนหนึ่งก็ก็ถามท่านคือถามเนื่องจากเห็นว่าท่านเดินทางในเส้นนี้มาก่อนนะเส้นสวนกับเราแบบนี้นก็เลยถามถามเผื่อตัวเองถามเื่อมู่คณะด้วยว่าถามว่า มันมีสถานที่ไหนมีที่ไหนที่ที่น่าพักบ้างก็คือเราก็ถามได้คิดเหมือนทํานองสถานที่ที่สัตยยะมีน้ํามีป่ามีที่พักที่พอสมควรก็ถามไปเช่นนั้นแต่ท่านบอกว่าท่านก็ตอบนะท่านบอกว่าอถ้าไม่ได้มาหาที่แบบไม่ได้มาไม่ได้คิดถึงที่ที่มันแบบดีๆเลย เนะี่ยเพราะว่าท่านก็อาศัยนอนตามกระต๊อบบ้างตามเถียงนาบ้างหรือว่าตามป่าช้าบ้างนะให้มันผ่านไปทีละคืนทีละคืนไปนะไม่ไ ด, ไไ ด, ด้ไม่ได้คิดที่จะหาที่สบายไม่ได้คิดที่จะหาที่สะดวกนะท่านก็อยู่ไปเป็นคืนๆไปเออเราก็เราก็ได้ได้คิดเนาะเออบางที บางทีเราก็บางทีบางคืนเราก็คิดหาที่สบายที่สะดวกนะเพื่อตัวเราเองด้วยเพื่อหมู่คณะด้วยนะมากันหลายคนนะมีน้ํามีห้องนะมีห้องน้ําบ้างให้ได้สบายแต่มันก็อาจจะเนื่องด้วยเหตุปัจจัยพวกเราที่มาเป็นกลุ่มใหญ่เนาะมันก็ต้องอาศัยพวกนี้บ้างมีบ้านให้ได้บินธบาลแต่ถ้ามาแค่รูปสองรูปเนี่ยโอ้มัน มันก็สบายนะัครพักที่ไหนก็ได้ตามกระต๊อกตามเาทียงนาหรือว่าตามป่าช้าแม้ไม่มีน้ำก็แค่พอหลับพอนอนไปก่อดนะแม้ไม่ใกล้หมู่บ้านก็ออกแต่เชา้าเดินไปบินทะบาทามันก็ได้เหมือนกันไปคนเดียวสองคนนี้มันมันสบายเนะเหมือนนกที่ที่ไม่ต้องกัวงวลถึงลูกถึงรังอะไรต่างๆก็ ได้ร่อนไปเรือร่อยๆมันก็ดีเหมือนกันแต่พวกเรานี่มันก็เป็นกึ่งได้ร่อนแต่เป็นเหมือนได้ร่อนเหมือนพวกเหมือนพวกยิปซีนะได <c oughs> ้ร่อนเหมือนพวกอนะที่ไปเป็นหมู่เป็นคณะนะมีบริวารมีสิ่งของที่ต้องแต่เตรียมเยะแยะมากมายนะก็ได้ร่อนเหมือนกันแต่มีแต่มีสิ่งที่ต้องคํานึงถึงมากกว่านะ คนที่ไปคนเดียวหรือไปสองคนนะแต่มันก็แต่คิดเช่นนั้นก็ทําให้เออดีนะบางทีก็ไม่ต้องไปติดสถานที่มากนะบางวันเจอพี่พักที่เหมาะก็โอเคนะบางวันเจอที่ไม่เหมาะก็เอาต่างสภาพไปก่อนถ้าคิดได้เช่นนี้มันก็สบายเนะอให้มันพอแค่ได้มีที่ทุกหขวนอนทบวันนึ่งนะ ในตอนเช้าก็ค่อยว่ากันอทีจะไปบินธบาติที่ไหนจะไปทําอะไรอย่างไรนะหรือเช้าวันต่อไปจะไปเจออะไรก็ค่อยว่ากันีทีนะึงถ้าคิดได้คช่นนี้ชีวิตเราก็เบาขึ้นเยอะนะเราก็เบาขึ้นเยอะนะอันนี้ก็เป็นการคิดช่วยนะมันก็จะช่วยให้เราทุกน้อยลงนะทุกน้อยลงนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่ที่ดีนะแล้วก็มีประสบการณ์อีกนิดหนึ่งพอดีก็ ที่จริงการเวร่งล่อการเดินทางอย่างนี้เนาะมันก็มีหลายหลายวิถีหลายชุมชนในในโลกนี้นะที่เขาทํากันออย่างเช่นในประเทศทิเบตเขาก็จะมีจารีดในการที่จะเดินเดินจารีดไปตามไปวัดที่สําคัญสำคัญหรือไปสถานที่หรือไปเจดีย์ที่ที่สําคัญนะเช่นสมมติถ้าเป็นเมืองเมืองไทยเราอาจจะมีเช่น พระธาตุพนมนะหรือว่าพระธาตุในภาคเหนือก็มีหลายที่นะที่ที่สําคัญดอยสุเทพเลยรนะี้คือเป็นที่ที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีคนเคารพกราบไหว้นะเช่นพระพุทธบาทที่สาร บ, บรุรีอันนี้ก็จะเป็นที่ที่สมัยก่อนก็มีคนจาริกนะเดินทางไปกราบไปไหว้แต่สมัยนี้เนี่ยวยังในเมืองไทยเราก็คงน้อยที่มีคนเดินเนะ ก็ใช้รถเป็นหลักนะแต่ที่ทิเบตสถนะานที่พวกนีนะ้ในวัดโจคังหรือว่าในเขาไกลาราศหรือว่าในที่ไกลๆที่มีความเคารพกราบไหว้เขาก็จะใช้การเดินจ่าดิกไปจ่าดิกออกจากบ้านของตนเพื่อไปกราบพระเพื่อไปไหว้พระนะแต่การจ่าดิกของเขาก็ไม่ใช่เพียงแค่เดินนะแต่เขาเรียกว่า กราบแบบผัดทางเข้าปติดกราบแบบสัมผัสกับพื้นในแปดส่วนเรียกว่าเหมือนนอนราบกราบลงไปเลยนะแล้วก็เดินต่อไปสามเก้าแล้วก็กราบไปอีกลุกขึ้นมาก็เดินอีกสามเก้าแล้วก็กราบไปอีกนะทําเช่นนี้นนะเรียกว่ากราบไปเรื่อยๆจนถึงสถานที่ที่เข้าบูชาดังนั้นการเดินในแต่ละวันนี่ ก็ได้ระยะทางไม่กี่กิโลเมตรหกเพราะว่าเขาไม่ได้เดินเอาเดินเอาเหมือนพวกเราแต่เขาเดินไปกราบไปทำแบบนี้ในถนนก็ดีหรือว่าทางเดินก็ดีก็กราบไปเช่นะนี้นะซึ่งมันแบบมันเป็นสิ่งที่ยากมากแต่แต่ทำไมเขาถึงทาเช่นนั้นได้เพราะว่าความศรัทธาความศรัทธานี่นำหน้าเลยนะความเพียรก็ตามมา ความอดทนก็ทำมานะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ต้องใช้ในการนะเดินทางมากนะนอกจากมีผู้ช่วยที่ต้องคอยเข็นรถหรือว่าต้องคอยทำอาหารให้อันนั้นก็เป็นผู้ช่วยที่จะช่วยเขานะแต่ผู้ช่วยนี้เขาก็ถือว่าเขาก็ได้บุญนะได้บุญในการที่เป็นผู้ช่วยคนที่เดินกราบจาริกนะเงินทองก็ไม่มีหรอกนะก็แล้วแต่คนจะให้ หรือแล้วแต่จะมีอาหารสังกินจะถวายหรือว่ามอบให้ส่วนใหญ่คนพวกนี้ก็ไม่ใช่พระได้ซ้านะเป็นชาวบ้านนะเป็นโยมนี่แหละนะผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างทำเช่นนี้เขาเขามีวิธีคิดเช่นนี้นะอันนี้ในหนังสือเขาบอกว่ า, าวิธีคิดสำหรับคนที่เดินจาริกปรเิเนีที่เรียกว่าจาริกคนนะีมคือเขา เดินเช่นนี้เขารู้สึกว่าเวลาเขาออกจากบ้านเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะได้กลับบ้านหรือไม่เพราะว่าบางทีเนี่ยออกไปเป็นหลายปีกว่าจะจะริกครบทุกที่หรือว่ากว่าจะเดินทางไปถึงดาซามเนี่ยบางคนบ้านอยู่ไกลมากออกเป็นเป็นหลายปีเรียกว่าต้องลาลาครอบครัวนะลาเลยนะไม่รู้ว่าชาตินี้จะได้กลับมาเจอกันอีกหรือเปล่าแต่ยังไงชาตินี้ถ้าได้จะริก ครั้งหนึ่งนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดของชีวิตเราแล้วนะขอออกจากบ้านนะแม้ไม่ได้กลับมาก็ไม่เสียใจคิดแบบเอาแบบนี้เลยนะแบบว่าเอาไปตายอราดามหน้าเลยก็ได้นะแต่การที่ทําเช่นนี้นะมันทําให้นะเขาได้คิดถึงคุณค่าของชีวิตนะคุณค่าของชีวิตคืออะไรก็คือการที่ได้ทําสิ่งที่สูงสุดที่เขาศรัทธานะได้ไปกราบพระ และขณะที่กราบพัดนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยนะถ้าเราสามารถมีสติในการเดินมีสติในการกราบทุกย่างก้าวนะมันก็สามารถเรียกว่ามีสติจิตอยู่กับปัจจุบันได้นะแต่เขาก็สามารถเขาก็มีการสวดด้ยนะสวดแผ่เมตตาให้กับสัตว์สัตร์ด้วยนั้นทุกขณะที่ที่เดินทุกขณะที่กราบเนี่ยจิตคิดถึงแต่สิ่งที่ดี อันนี้ก็เป็นการภาวนานะทุกขณาดที่ทำแล้วก็เป็นการภาวนาทั้งนั้นแล้วเขาสรุปไว้อย่างนี้สรุปว่าในการเดินทางนะจาริกตรงนี้เป็นการเดินทางเพื่อเพื่อชีวิตที่ดีงามแล้วก็เป็นการเดินทางเพื่อเพื่อไม่ยึดติดกับชีวิตนี้เป็นการเดินทางเพื่อการปล่อยวาง คือไม่ยึดติดแม้กระทั่งบ้านที่เคยอยู่ไม่ยึดติดแม้กระทั่งครอบครัวที่เคยมีไม่ยึดติดแม้กระทั่งความสะดวกสบายนะที่จะที่มันไม่มีเพราะว่าต้องออกจากบ้านแนละ้วนี่ก็เป็นการเดินทางเพื่อฝึกฝนตนนะเป็นการเดินทางเพื่อจะฝึกการไม่ยึดติดนะเจอความลําบากแล้วก็ไม่ยึดติดอันนี้เป็นก็เป็นจารีตที่ดีเนาะมันก็ไม่ใช่มีแต่ในในเมืองไทยนาะ ที่มีการทดลองนะอย่างซิเบก็มีการจาริกหรือที่จริงแม้แต่ในศาสนาอื่นนะอย่างในอินเดียนก็มีในหลายๆศาสนาก็มีการเดินนะอย่างไปอินเดียคราวที่แล้วนี่ก็เจอคนที่เรียกว่าเดินเดินจาริกนะน่าจะเป็นพวกสาธุของของศาสนาฮินดูที่เขาเดินหาบน้ําน่าจะหาบน้ําศักดิ์สิทธิ์นะจากแม่น้ํานะไปเมืองเลยนะ เดินกันเยอะเลยนะหาบน้ำ้ำเดินกันจาดิกแทบไม่มีของเลยมีแต่ตัวกั บ, ก, บกับน้ำที่หาบนะเสื้อผ้าก็มีแค่ใส่นั่นแหละอินเดียดยช่วงตอนเหนือก็อากาศเย็นพอสมควรนะแต่เขาก็เออไปกันได้นะหรือบางทีก็มีสาธุบางพวกก็ไปแบบมีของนิดนึงแล้วก็เร่อนไปตามไป สู่ตรงแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์บ้างไปสู่อตรงเขาศักดิ์สิทธิ์บ้างที่จริงไม่แต่อินเดียเองเขาก็มีการแบ่งอืการแบ่งช่วงอายุนะช่วงวัยแห่งการเล่าเรียนช่วงวัยแห่งการทํางานอืมช่วงวัยแห่งการมีครอบครัวสุดท้ายก็เป็นช่วงวัยแห่งการอออกจากบ้านหรือว่าจาริกเป็นเป็นอนาคาลิกนะ แบ่งเป็นสี่วัยนะก็ออกไปเพื่อเรียกว่าไปหาโมฆะธรรมบ้างนะปฏิบัติธรรมบ้างนะคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ยึดติดแต่ว่าเอจะต้องเรียนหนังสือต้องทํางานหรือว่ามีครอบครัวแล้วก็มันก็จะจบแค่นั้นนะแต่วัยสุดท้ายของเขาก็คือเรียกว่าวัยที่เรียกว่าสแสวงหาโมฆะธรรมหรือว่าสแสวงหาธรรมะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของของคนอินเดียนะ แต่คนสมัยนี้บางทีชีวิตมันก็วนๆเกิดขึ้นมาแล้วก็เรียนหนังสือเรียนจบก็ทำงานทำงานเสร็จก็มีครอบครัวมีครอบครัวแล้วก็มีลูกใช่ไหมมีลูกก็เลี้ยงลูกออพอลูกมีหลานเราก็เลี้ยงหลานต่อไปก็แก่เท่าไปเช่นนัน้นนะไม่รู้ชีวิตมีแก่นสารสาระอะไรนะมีแต่วนๆเวียนๆนะ อยู่กับเรื่องทางโลกเั้านั้นแต่พวกเราเป็นคนที่เรียกว่ามีมีปัญญาหรือว่ามีความคิดในการที่จะนะออกจากชีวิตที่เป็นวังวนเช่นนั้นเนาะชีวิตที่เป็นวังวนนี่ก็ชีวิตที่เป็นวัฏฏะวัฏฏะสงสารวัฏฏะแห่งความทุกข์นะเรามีวิธีคิดที่จะออกจากความทุกข์เนะี่ยก็ถือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะนอะก็ให้เราเนี่ยนอกจากเราใช้ชีวิต นะทางโลกในการที่จะออกจากความทุกข์แล้วมันถึงว่าเราออกบวชแล้วหรือว่าเราเดินทางนะจะกดเดนี้แล้วนะแต่ที่มันยึดติดหรือที่มันเหนียวแน่นกว่าวิธีทางโลกคือวิธีทางจิตนี่แหละนะที่มันเรียกว่าเกี่ยวขอ้ของกับโลกเกี่ยวนะเกี่ยวข้องกับครอบครัวบ้างนะเกี่ยวข้องกับนะความสะดวกสบายบ้างเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ เคยยึดติดบ้างเกี่ยวข้องกับกิเลสตันหาต่างๆบ้างอันเนี้ยก็คือสิ่งที่เราต้องทําด้วยนะคือเราต้องพากจากการยึดติดตรงเนี้ยนะซึ่งคนที่จะช่วยเราได้ดีส ก, ก็คือตัวของเราเองเนี่แหละนะเราต้องคอยดูกายโดยใจของเราเองแล้วก็ดูทันความคิดดูทันจิตใจนะแล้วก็ละวางปล่อยวางการยึดติดนะมันเกิดขึ้นเมื่อไรก็วางเมื่อนั้นแหละนะนะ กิเลสตัวไหนเกิดขึ้นนะก็ดูทันแล้วก็วางมันไปอันนี้จะเป็นสิ่งที่จะช่วยเติมเต็มนะการเดินทางนะในการจาดดิกของเราเนาะ ก, ก็ฝากไว้นะในเช้าวันนี้ <c oughs>